Mm hmm.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 ที่เรียกร้องให้ใครมารู้ใจให้ใครมาเห็นใจแล้วตัวเราเองละ่ะเคยคิดจะรู้ใจตัวเองบ้างไหมเคยคิดจะเห็นใจตัวเองบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เราเรียกร้องกันเยอะนะเรียกร้องให้ใครต่อใครมาเห็นใจมารู้ใจเราแต่เราไม่คิดที่จะรู้ใจหรือเห็นใจตัวเองบ้างมันยากนะ ไม่รู้ใจไม่เห็นใจตัวเองแต่ว่าจะไปเรียกร้องสแสวงหาหรือว่าไปกากเกณฑ์ให้ใครต่อใครมารู้ใจหรือเห็นใจเราอะไรที่ยากกว่ากันระหว่างคนข้างนอกนะที่มารู้ใจเราหรือตัวเราเองที่รู้ใจตัวเองลองคิดดูว่าอะไรที่ยากกว่ากันอะไรที่มัน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 ตอบสนองความต้องการของเราอย่างไรอันนี้เรียกว่ารู้ใจเราอันนั้นมันมันก็ดีอยู่นะแต่ว่าสิ่งที่เราควรจะทำให้ได้โนดะยเพราะเวลารู้ใจตัวเองนะก็คือรู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิดของตัวเวลาเราโกรธนี่เราเคยรู้ใจตัวเองไหมว่ากำลังโกรธอยู่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 เป็นอย่างนี้นะพอคนหนึ่งเขาไม่รู้ใจเราเพื่อนไม่รู้ใจเราลูกน้องไม่รู้ใจเราคู่ครองคนรักไม่รู้ใจเราเราโกรธแต่เราไม่เคยคิดที่จะรู้ใจตัวเองแล้วก็เพราะไอ้ความโกรธที่คนหนึ่งเขาไม่รู้ใจเรานี่แหละทั้งนั้นที่มันเผาลนจิตใจเราอยู่เราเห็นมันบ้างหรือเปล่าเราปล่อยให้ความโกรธมันเผาลนใจ เป็นวันเป็นคืนเราเคยคิดอยากจะรู้ใจตัวเองไหมเวลาความโกรธมันเกิดขึ้นและเป็นเพราะเราไม่รู้ใจตัวเองเวลาความโกรธมันเกิดขึ้นนั่นแหละเราถึงปล่อยให้ความโกรธมันเผาลน้นจิตใจหรือว่าบางครั้งอยู่ดีไม่ว่าดีกำลังสบายสบายกำลังสงบสงบก็ไปเอาความโกรธมาใส่ตัวมาใส่ใจของเรา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 เขาดันไม่ทําหน้าที่นี้เราก็สมควรโกรธเรามีเหตุผลที่จะโกรธนะกิเลสมันสรรหาเหตุผลมาเพื่อที่จะสนับสนุนค้าจุนรองรับความโกรธก็เราก็เลยเลี้ยงความโกรธเอาไว้เหมือนกับเลี้ยงไฟให้มันเผาใจเราถามว่าเวลาโกรธนี่ทุกไหมคล้ายๆก็ย่อมรู้ว่ามันทุกและทําไมยังให้ความโกรธมันเผาใจอยู่อย่างนี้จะเรียกว่าเห็นใจตัวเองหรือเปล่า เราอยากให้คนอื่นเห็นใจเราแต่เราไม่เห็นใจตัวเองเราทำร้ายตัวเองเราทำร้ายตัวเองบ่อยๆไปนนะวันละหลายครั้งเราอยากให้คนอื่นทอนรูาทนทน้อมเราอยากให้คนอื่นนี้นันะนุ่มนวลอ่อนโยนกับเราแต่เรากลับซ้าเติมตัวเองด้วยการเอาความโกรธเอาความเกลียดเอาความโศกความเศร้ามาเผามาทิมแทง บางทีก็เนื้อเนื้อต่ำใจก็เอาความเนื้อเื้อต่ำใจนี่ามาเผามาทิ่มแทงมากรีดใจตัวเราอย่างนี้เรียกว่าเราเห็นใจตัวเองหรือเปล่าจริงๆถ้าเราลักตัวเองเราเห็นใจตัวเองเราก็ต้องไม่ทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งแรกที่เราควรทำก็คืออย่าเอาทุกมาทับถนตัวแต่เราทำอย่างนี้กันทุกวันทุกวันแล้วเราก็ไปโทษคนนั้นคนนี้แต่ถ้าใจเราไม่ ไปเปิดรับหรือไม่ไปร่วมมือมันจะทุกได้อย่างไรเขาพูดเขาจาเขาทําอะไรอันนั้นเป็นเรื่องของเขาถ้าใจเราไม่ไปสมยอมไม่ไปร่วมมือก็ไม่มีทางทุก์ได้ก็จะพูดเขาจะทําอะไรแล้วก็ไม่มีทางความทุกข์เนี่ยโดยเพราะทุกใจเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้นะถ้าใจเราไม่ไปเปิดรับหรือไปร่วมมือไปสมยอม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 ทำให้เราเจ็บเราปวดมันก็เป็นสักแต่ว่าร่างกายที่ปวดแต่มันจะไม่สามารถจะทะลุทะลวงมาถึงใจจนกระทั่งทําให้ใจเราเจ็บปวดได้ถ้าใจเราไม่ไปเปิดรับไม่ไปอ้าแขนไม่ไปร่วมมือร่วมมือด้วยการเอาสิ่งที่เขาทํานั่นแหละมาทิมแทงตัวเองกายก็ส่วนหนึ่งนะใจก็ส่วนหนึ่งนะอะไรเกิดขึ้นกับกายไม่ได้แปลว่าใจจะต้องทุกข์ด้วย เราได้ยินอะไรเราเห็นอะไรเราได้กลิ่นอะไรเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าใจเราก็จะต้องไปกระเพื่มตามสิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังนะมันมีช่องว่างมันมีระยะห่างอยู่เราสังเกต ด, ดูเมื่อเกิดผัสสะขึ้นมาเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่น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 ยินดียินร้ายกับผัสสะที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดผัสสะขึ้นรับรู้ได้ยินได้เห็นได้ฟังมันเป็นธรรมชาติธรรมดาอัตโนมัตินะต้องเกิดทุกขเวทนาเช่นหูได้ยินเสียงดังเนี่ยมันก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ทุกขเวทนาทางใจนะแต่ว่าถ้ามันจะเกิดความทุกขทางใจนี่มันต้องผ่านอีกหลายขั้นตอนก็คือขั้นที่หนึ่งเกิดความยินดียินร้ายก่อน เมื่อยินดียินไล้แล้วนะก็ยังปล่อยให้มันปรุงต่อไปก็กลายเป็นการยึดติดการผลักไสพอยินดีไล้ใช่ไหมถ้ายินดีเราก็ไขว่คว้าถ้ายินไล้เราก็ผลักไสอเจตที่มันผลักไสหรือไขว่คว้าตรงนี้แหละที่มันจะทําให้เกิดอาการดิ้นขึ้นมาก็คือถ้าอยากได้อยากไขว่คว้ามันก็ดิ้นที่จะไปครอบครองมันทุกข์ตั้งแต่ตอนที่ใจดิน้นอยากจะได้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 หรือว่าได้ยินเสียงกระทบก่อนที่มันจะมาเกิดความรู้สึกว่ากูทุกข์หรือทุกข์ใจเนี่ยนะมันผ่านอีกสองสาขั้นตอนที่จริงตามหลักปฏิจจสมุปบาทพอเกิดภาษาแล้วใช่ไหมก็เกิดเวทนาเวทนาแล้วก็มีตัณหาอุปาทานพบชาติชารามรณะและถึงเกิดทุกข์ขึ้นดูเสียมันมีกี่ขั้นตอนน่จากเวทนาก็ตัณหาความอยาก อยากได้อยากผลักออกไปเกิดอุปาทานความยึดติดความยึดติดไม่ว่ายึดติดสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่ไม่ชอบก็ยึดติดทั้งนั้นนะแล้วเกิดความปรุงแต่งขึ้นมาเป็นชาติคือเป็นความรู้สึกว่ามีตัวกูเกิดขึ้นตัวกูผู้อยากตัวกูผู้เครียดตัวกูผู้กโกรธนะกูโกรกูคเครียดและเนี่ยแล้วมันก็จะปรุงไปเป็นชรามราณะลัทธุขธโท ม, มนัตเนี่ยมันมีหลายขั้นตอน นะซึ่งเมื่อกี้ก็พูดง่ายๆสรุปง่ายๆคือว่าพอเกิดภาษาเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็เกิดความยินดียินไล่แล้วเกิดเกิดการผลักสายไขว่คว้ า, <ๆ>วาเกิดการดิน้นมันไม่ใช่แค่ผลักสายที่ใจพฤติกรรมมันก็แสดงออกมาด้วยเช่นอยากได้อยากครอบครองเป็นการกระทําออกมาหรือว่าผลักสายออกไปผลักสายด้วยคําพูดบ้างถ้าคําพูดไม่ไปก็ต่อยตีทุบตีทำร้ายเนีทั้งหมดนี้เนี่ยมันมันก็เป็นกระบวนการที่ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นคือกูทุก แต่ไม่ได้แปลว่าเมื่อเกิดทุกขเวทนาทางกายแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดทุกขทางใจโดยอัต โ, ตโนมัติไม่ใช่มันผ่านขั้นตอนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แหละที่มันสําคัญที่เราควรรู้จักนะเพราะว่าถ้าเรามีสติรู้ทันนะมันก็แม้จะมีความยินดีร้ายแต่พอมีสติรู้ความยินดีรู้ความยินร้ายรู้ทันที่เรียวกว่ารู้ใจนี่แหละคือรู้ความยินดียินร้ายรู้ชอบรู้ชังมันก็หลุดมันก็วางได้ มันก็จะไม่ปรุงแต่งไปเป็นจนเกิดความรู้สึกว่ากูทุกข์หรือเกิดความทุกข์ใจขึ้นให้ความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นนี่มันกูทุกข์ทั้งนั้นนะปรุงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุ ก, การณ์ที่ไม่ดีกับเราแม้จะมีคนไม่รู้ใจเราแม้จะมีคนที่พูดไม่ถูกหูเราแม้จะมีคนตำหนิเรานะแม้จะมีคนมาทำร้ายเราแม้จะเจ็บจะป่วยมันก็จะอยู่ตรงที่กายนะ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 มันไม่เมืนกัเราทุกใจตรงนี้แหละคือกุญแจที่จะไปสู่อิสรภาพเพราะคนร้อนี่ถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยเราก็กลายเป็นท่าของสิ่งแวดล้อมเขาด่ามาเราก็โกรธเขาตําหนิเราเราก็ทุกข์หรือว่าเจอแดดเราก็ร้อนไม่ใช่ร้อนการอยู่ร้อนใจเจ็บป่วยเราก็ทุกข์เรากลายเป็นท่าของสิ่งแวดล้อม ทุกวันนี้เร า, เ ร, ารู้ตัวแม่เราสังเกตว่าเราเป็นธาตุสิ่งแวดล้อมคือเราจะสบายได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในที่ที่สงบเย็นสบายแต่ถ้าเกิดรอบตัวเรามีเสียงอึกทึกอย่างเช่นนักปฏิบัติธรรมหลายคนเนี่ยพอมีเสียงอึกทึกรอบตัวนี่เอาละจิตใจว้าบุ่ญละอันนี้ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยสิ่งรอบตัวมันจะเป็นยังไงเนี่ยใจมันก็เป็นกลางกลงได้เขาจะลอ้อเขาจะบน่นเขาจะส่งเสียงดังใน ใ, นใจเราปกติ แต่ถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกนะไม่มีสติเราก็จะคอยพึ่งพาสิ่งแวดล้อมเราก็จะคอยพึ่งพาผู้คนว่าต้องพูดดีๆกับฉันนะต้องไม่ส่งเสียงดังนะต้องเดินเบาๆนะไม่ปิดประตูเสียงดังนะต้องไม่นินทาฉันนะต้องรู้ใจฉันนะล้วถามถือว่าจะเจอคนอย่างนี้ได้ตลอดเวลาได้ที่ไหนแม้แต่เรายังไม่รู้ใจตัวเองเราจะให้คนอื่นรู้ใจหรือปฏิบัติดีๆกับเราได้อย่างไร แม้แต่เรายังไม่รู้จักถนอมจิตใจของเราเลยเราจะให้คุณถนอมจิตใจเราได้อย่างไรและในเมื่อเราต้องเจอคนอย่างนี้เนี่ยเราไม่พลอยต้องทุกไปเพราะคนเหล่านี้หรือทุกวันนี้เนี่ยเราตกอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งแวดล้อมนะไม่ว่าจะเป็นผู้คนไม่ว่าจะเป็นอินฟราอากาศหรือเหตุการณ์บ้านเมืองรวมทั้งข่าวสารนึกๆดูบางทีก็ไม่ต่างจากนะขอภัยนะ ที่หมาที่พัดป่ามหาวันเนี่ยหรือผู้หลงเนี่ยเวลาตีระฆังทํา ว, วัดเช้าวัดเย็นเนี่ยพอตีผู้มันหอนปั๊บเลยตีผู้ผอนปับ๊บตีถี่มันหอนถี่ตีตียาวมันหอนยาวแล้วมันมันห้ามไม่ได้นะมันห้ามตัวมันเองไม่ได้มันกลายเป็นท่าของระฆังท่าของเสียงระฆั ง, งเราเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่าพอคนเขาพูดจาไม่ดีกับเราเราโกรธทันที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 ถ้าคนเราไม่ปฏิบัตินะไม่รู้จักดูใจนะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละคือเราก็จะกลายเป็นท่าของเสียงแบดล้อมแต่ถ้าเรารู้จักดูจิตดูใจนะมันจะไม่เป็นอย่างนั้นมันจะมีการแบ่งเลยว่าออโลกภายนอกเขาทำกับเราก็อย่างหนึ่งแต่ว่าจิตใจของเรานั้นเนี่ยมันก็จะมีปฏิกิริยาอีกแบบหนึ่งเมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ทุกข์ไปกับเสียงพูดเสียงจาของผู้คน แล้วเรากลับมองว่าเออมันดีได้ซ้ำพออ่อและพ่อเรามีสติพ่อเรามีปัญญา้คนฉลาดนี่มีหลวงพ่อท่านหนึ่งพูดคนฉลาดคนดีเนี่ยใครปาขี้หมาให้ก็เปลี่ยนให้เป็นดอกไม้ฉันพูดสั้นๆกระชับดีใครปลาขี้หมาให้ก็กลายเป็นดอกไม้หมายความว่าเขาจะพูดเขาจะด่ายังไงก็กลายเป็นดีซึ่งเราทำได้นะแม้แต่คนที่ไกลว่านี่เขาก็ยังทาได้ถ้าเาเขามี การรู้เท่าทาันจิตใจของเขาเจ้าของเมืองโบราณเนี่ยเขาตอนนี้ก็เสียชื่อไปนานแล้วเพราะพูดวันเนี่ยวันไหนไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลคําตําหนิทําอะไรเขาไม่ได้เลยก็กลับกลายเป็นของดีไม่ใช่แค่เป็นกลางนะกลับกลายเป็นของดีอันนี้ก็เปลี่ยนเหมือนขี้หมาเนี่ยก็กลายเป็นดอกไม้คนหนึ่งที่พูดน่าสนใจนะบางคนอาจจะรู้จักนะชื่อตองสิทธิชอยตองสิทธิชอยนี่เมื่อ20ปีก่อนดังมากก็เป็นนักเล่นสนุกเกอร์ แล้วก็ดังขึ้นไวมากอายุสิบสองนี่สามารถชนะแชมป์โลกได้แต่ไม่ได้แข่งแบบทางการนะอายุไม่ถึงยี่สิบห้าเขาติดอันดับหนึ่งในสามของโลกเก่งกว่าพาราดอน่พาราดอนแค่หนึ่งในสิบนะตองสิ์ชอยนี่เร็วมากพุ่งเร็วมากและตัวหลังพอก็าพุ่งเร็วแต่ว่าเขาก็ตกเร็วเดี๋ยวนี้หลายคนก็ไม่รู้จักแต่เมื่อเร็วๆนี้เขาก็เป็นข่าวอีกเพราะเขากลับมาสู่วงการใหม่ก็มีคนไปถามเขา ถามเขาหลายเรื่องถามทุกช่วงเขาในช่วง20ปีที่ผ่านมาหลังจากที่เขาตกต่ําคนเราเวลาตกตำ่ำตกต่ำจริงจริงนะคือว่าอนอกจากจะฝีมือจะตกแล้วนะบางทีค้าขายธุรกิจที่ลงทุนไปเป็น10บล้านหลาย10ล้านก็ถูกเพื่อนโกงเพื่อนเพื่อนเบี้ยวไปเราก็ยังถูกวิจารณ์สื่อมวลชนวิจารณ์แต่ก่อนสื่อมวลชนก็ชื่นชมเขาตอนหลังก็มาวิจารณ์เขาเ ส, เสียให้หาย แต่เขาพูดไว้น่าสนใจว่าเนี่ยที่สื่อมวลชนวิจารณ์เขานี่เขาก็ถือว่าเป็นเหมือนอาจารย์นะเขาบอกว่าถ้าเราผ่านตรงนี้ไม่ได้นะเราก็มีทางเจริญหมายถึงว่าถ้าเราไม่สามารถจะผ่านคําตําหนิคําวิจารณ์ได้เพราะฉะนั้น้คําวิจารณ์จากสื่อมวลชนหรือจากใครก็ตามเนี่ยก็ถือว่าเป็นสเสมือนอาจารย์นี่นี่แล้วเขาเปลี่ยนขี้ไม้ให้กลายเป็นดอกไม้อันนี้ก็เรียกว่าทําให้ไม่เป็นธาต ของคำวิพากษ์วิจารณ์หรือความเห็นของคนภายนอกอันนี้เขารู้เขาเข้าใจตรงนี้ได้ส่วนหนึ่งเพราะเขาปฏิบัติธรรมเขาก็มาไปบวชไปบวชเขาก็เริ่มเข้าใจแล้วเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรทิพเทียงแท้แน่นอนแล้วทำให้เขาทําใจได้จากการที่เขาเคยพุ่งสูงสุดมาแล้วก็ตกก็บอกว่ามันก็เป็นธรรมชาติธรรมดาเขาใช้คําพูดนี้บ่อยมาก มันเป็นธรรมชาติธรรมดามันไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้อย่างอดียไม่มีอะไรที่จรังสมัยก่อนนี่คนบอกว่าเขาหลับตาแทงก็ยังลงลงห ล, ลุมเลยแต่เดี๋ยวนี้แทงยัง ไ, กไก ง, ง, งก็ไม่ถูกพงแทงหลายครั้งก็ไม่ถูกบางทีก็แพ้รุ่นน้องเพราะก็มองว่าเออการที่แพ้รุ่นน้องก็ดีเหมือนกันโลกมันจะเจริญได้ก็เพราะคลื่นลูกใหม่ไลค่คลื่นลูกเก่าให้พวกเราที่เป็นรุ่นพี่นี่ทําใจได้ไหมถ้าเกิดรุ่นน้อง น, นี่เขากลับมาเก่งกว่าเรา เราก็อิจฉาเขาเราก็ไม่พอใจเขาแต่ว่านี่เขากลับมองว่าดีโลกมันจะเจริญได้ก็เพราะขึ้นลูกใหม่ไล่ขึ้นลูกเก่าพวกเราที่เป็นนักปฏิบัติบางทีรุ่นน้องเขาปฏิบัติทำได้ดีกว่าเอาละเริ่มคอมเมนต์ละนะไม่ว่าจะเป็นพระเป็นชีบางทีเราทำใจไม่ได้คือรุ่นรุ่นน้องเขาปฏิบัติทำได้ดีกว่าเขามีความฉะฉาในเรื่องธรรมะได้มากกว่าแต่ว่าคนอย่างตองนี่เาเขาเข้าใจ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 แล้วเราจะมีความสุขได้อย่างไรนะีด้วยใจเช่นนี้แต่ว่าถ้าเรามีสติเนี่ยนะมันอะไรเกิดขึ้นกับเราอะไรจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สมบัติของเรากับชื่อเสียงเกียรติยศของเราเราก็ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์เพราะรวบเป็นอนิจจังไม่ทุกข์ไม่ทุกข์กเพราะวางความยึดติดถือมั่นได้ว่ามันเป็นของเราหรือไม่ทุกข์เพราะรู้เท่าทันความยินร้ายหรือว่าความความไม่พอใจที่เกิดขึ้น ตรงนี้แหละคือความหมายที่แท้ของคําว่าอินเสียสังวรเมื่อกี้เราสวดกันเนี่ยสํารวมในอินเสีสํารวมในทวานเอาคนส่วนใหญ่ไปเข้าใจว่าสํารวมในตาหูจมูกลิ้นกายคือว่าคุมตาคุมหูคุ ม, ค ม, คมจมูกภุมลิ้นอันนั้นไม่ใช่ความหมายของอินเสียสังวรหรือหรือความสํารวมในอินทรีย์ความสมัมพันอินเสีหมายความว่าเมื่อตายเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสไม่ว่ามันจะเป็นบวกเป็นลบนะ ใจนี่ก็ไม่กระเพื่อมไหวคือไม่ยินดียินายเมื่อได้เสพของอร่อยได้เห็นของดีหรือมีได้รับคําชมเอาก็ใจก็ไม่กระเพื่อมหรือฟูเมื่อถูกตำหนิหรือว่าเจอสิ่งที่ทำให้เกิดทุกขเวทนาใจก็ไม่แฟบอันนี้แหละคือความหมายของอินเสียสังวรซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสงใจให้เป็นปกติได้แม้จะอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่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 สองข้อที่สําคัญมากเราอย่าไปเผลอนะอย่าไปผิดทางนะคือไปควบคุมบังคับไปเรียกร้องกากเกนให้ต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราเวลาเราอาธิษฐานเวลาเราทำบุญอธิษฐานเนี่ยเรามักจะเรียกรียก้องสิ่งนี้ขอให้รวยขอให้สประสบความสําเร็จขอให้มีคนรักที่ดีขอให้มีการงานเจ้านายที่ดีเราเรียกร้องให้เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชื่อของเราทั้งนั้นเลยแต่เราไม่เคยถามไม่เคยเรียนรู้หรือเลือก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 เราก็จะมากลับมาที่ใจเออแม้เจอเรื่องร้ายๆเราจะทำใจอย่างไรก็ต้องมีสตินะมีสติแล้วเนี่ยแม้จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นกับกายมันก็ไม่ปรุงแต่งไปจน เ, เกิดความรู้สึกว่ากูทุกขหรือเกิดความทุกขใจตรงนี้เราเลือกได้ต้องอาศัยการรู้ทันอย่างที่ยกตัวอย่างเด็กที่เขาขนของขึ้นรถไฟนะแล้วก็เพื่อนทิ้งเขาให้เขาขนของ ข, องขึ้นรถไฟคนเดียว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 พอคิดจะไปด่าว่าเพื่อนหรือจะพอคิดว่าไม่ยุติธรรมไม่แฟร์ถูกกินแรงเด็กเขารู้แล้วคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยใจมันทุกข์เลยอันนี้แสดงว่าเด็กเขารู้ใจเดี๋ยวเขารู้ใจแล้วเขาเมื่อรู้ใจแล้วเขาเลือกเลยว่าเฮงงั้นฉันเลือกเหนื่อยอย่างเดียวดีกว่าคนเราเลือกได้นะว่าจะเหนื่อยอย่างเดียวหรือจะเหนื่อยสองอย่างเวลาป่วยเนี่ยเราเลือกได้ว่าจะทุกอย่างเดียหรือทุกสองอย่างถ้าป่วยคือทุกกายกับ อีกอย่างหนึ่งคือทุกทั้งกายทุกทั้งใจเราเลือกได้นะว่าเราจะเอาทุกอย่างเดียวหรือจะเอาทุกสองอย่างเวลาของหายเนี่ยเราเลือกได้นะว่าเราจะเสียอย่างเดียวคือเสียของหรือเสียสองอย่างคือเสียใจด้วยแต่คนที่เลือกได้เนี่ยต้องต้องเป็นคนที่มันรู้ใจแล้วก็มีสตินะทันเราก็จะเลือกได้แต่ถ้าไม่มีสตินะไม่รู้ใจเลยเนี่ยมันก็จะ ไปคว้าเอาทุกสองอย่างเอาปวดสองอย่างนั้นเราก็มากดดาชะตากรรมหรือว่าโทษเพื่อนว่าเอาเปรียบเราหรือโทษคนนี้ว่าพูดจาไม่ดีกับเราแต่มันเป็นเราต่างหาที่เราเลือกเราคว้าสองอย่างเองอันนี้เห็นไหมนะว่า้การเจริญสตินี่มันสำคัญอย่างไรบ้างและถ้าเราไม่มีสติรู้ทันนะเราก็จะทำร้ายตัวเราเอง ไอสิ่งที่เราไม่ชอบนั่นแหละเราก็จะไปคว้ามาทิมแทงตัวเราเราไม่ได้ควายคว้ า, าเฉพาะสิ่งที่เราชอบนะแต่เราแม้กระทั่งสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็ยึดเอาไว้ไม่ยอมปล่อยญาติของตา ม, มาคนหนึ่งเนี่ยนะคือในบ้านของเขาเนี่ยซึ่งก็คงเหมือนกับบ้านอีกหลายหลายบ้านในกรุงเทพก็คือว่าคนหนึ่งเชียร์สีเหลือง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 น้องสาวก็ลำคาญไม่อยากตลอด ถ, ถอดเฉียงก็เลยเดินออกจากที่นั่นไปหนึ่งชั่วโมงต่อมาน้องสาวกลับมาตรงห้องที่ดูโทรทัศน์บอกว่าพี่สาวกลับมานั่งดูแทนพี่สาวเชียร์เสื้อเหลืองพี่สาวไม่ชอบเสื้อแดงแต่ว่าจดจ้องดูโทรทัศน์ข่าวรายงานเสื้อแดงดูไปก็ด่าไปดูไปก็ด่าไปคือมันทุกถ้าทุกแล้วดูไปทําไม แต่ก็วางใจปลดเปลื้องจิตใจจากจักรโทรทัศน์ไม่ได้ทั้งๆ ท, ท, ที่ดูไปก็ทุกไปเห็นพวกเสื้อแดงก็เกลียดด่าก็ว่าแต่ไม่ยอมละสายตาจากจอโทรทัศน์ทั้งๆ ท, ท, ที่ไปบอกน้องสาวว่าดูมันทําไมแต่ตัวไอ้นี่กลับจ้องดูนะไม่กระพริบแล้วก็ดูไปด่าไปดูไปด่าไปเราเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่เป็นกรณีเสื้อหรือเสื้อแดงแต่ว่าเวลาเราเกลียดใครเนี่ยเราก็จะนึกถึงคนคนนั้น อาจจะเวลามีกินเลี้ยงกันคนเป็นร้อยถ้าเกิดคนที่เราไม่ชอบเนี่ยคนที่เราเกลียดเนี่ยเดินเข้ามาในห้องนั้นเนี่ยสายตาเราเนี่จะไปจดจ้องคนคนนั้นเลยเขาเดินไปทางัหนแล้วก็จะจดจ้องดูก็เราไม่ชอบเขาแล้วเราไปดูเขาทาไมไปจ้องเขาทาไมนี่เรียกว่าเป็นความยึดติดอีกแบบหนึง่งถ้านั้นที่ใจมันผลักไสนะใจมันอยากจะผลักไสเพราะความโกรธเพราะโทสะ ทันทีที่เราอยากจะผลักสายนะั้นเราก็ยึดติดแล้วความยึดอยากและความผลักสายนี่มันไปด้วยกันเวลาเราโกรธใครเกียดใครเราก็ยึดเราก็จดจ้องอยู่กับสิ่งนั้นเวลาเราอยากรวยอยากสำเร็จมันก็จะมีสิ่งตรงข้ามเกิดขึ้นคือกลัวความล้มเหลวกลัวความยากจนมันจะมาคู่กันตลอดเวลาคือความผลักสายกับไขว้หรือว่าการยึดติดกับปฏิเสธเนี่ย มันเป็นพี่น้องฝาแฝดที่มาด้วยกันนะอยากรวยก็กลัวจนอยากดังก็กลัวไม่ดังได้ความกลัวในที่ที่มันจะคอยทิมแทงเราและเราก็จะพยายามผลักสายมาันแต่ผลักสายมันก็ยิ่งมาความเศร้าก็เหมือนกันนะเพื่อนคนหนึ่งเขาไลฟยฟังเนะีะเขาได้จดหมายจากเพื่อนชายที่เขาหลงชอบอยู่แต่ว่าจดหมายนั้นก็เหมือนกับว่าจะไม่ได้ ตอบสนองความรักของเธอเธออ่านจดหมายไปเธอก็เศร้าไปซึมระหว่างนั้นเองก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยมากดเกรียงที่หน้าบ้านแล้วก็ตะโกนว่ามาไปเที่ยวกันความรู้สึก ข, ของเพื่อนที่อ่านจดหมายเนี่ยเขาเล่าเลยว่าเพราะว่าเนี่ยเาเกิดฉุนหงุดหงิดขึ้นมาทันทีที่เพื่อนเนี่ยมาชวนไปเที่ยว นึกในใจว่าเนี่ยเวลาสุขก็ไม่สมหวังเวลาจะทุกข์ก็ยังมีคนมาลังควานอีกเวลาสุขก็ไม่สมหวังเวลาทุกข์ก็ยังมีคนมาลังควานหมายความว่าหมายความว่าเขาอยากจะทุกข์ต่อไปไม่อยาก ใ, ใครมาลังควานตอนนี้เดี๋ยวจะจมอยู่ในความทุกข์อยู่ในความเศร้าเพราะอะไรเพราะมันมีแรงดึงดูดทั้งที่นี่ไม่ชอ บ, ชอบความเศร้าแต่ว่ามันมีแรงดึงดูดนี่คือไม่รู้ใจแล้วก็ไม่เห็นใจด้วยทําร้ายตัวเองทําไม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 เมื่อนคนที่อกหังเนี่ยเขาไม่ว่าฉันไม่ได้เสียคนรักไปแต่อาจจะเคยว่าฉันยังมีเพื่อนอีกมากมายอันนี้คือความต่างกันระหว่างคิดบวกคิดลบแต่ว่ามีบทกวีบทหนึ่งแกเขียนไว้เล่าถึงประสบการณ์ที่เข้าห้องผ่าตัดสามครั้งแกเล่าถึงการเข้าห้องผ่าตัดครั้งแรกบอกว่าเขียน ง, ง่ายๆนะว่าพ่อแม่พาฉันเข้าห้องผ่าตัดฉันมี เด็กชายหวาดกลัวเป็นเพื่อนบ้านฉันมีเด็กหญิงสงบเป็นเพื่อนบ้านเหมือนกันและฉันเลือกเด็กหญิงสงบเป็นเพื่อนบ้านของฉันหมายว่าเลือกเด็กหญิงสงบเป็นเพื่อนพาเข้าห้องผ่าตัดผ่าตัดข้อที่สองพ่อแม่อุ้มแล้วตอนนี้พ่อแม่อุ้มฉันเข้าห้องผ่าตัดข้างแรงในประคองข้อที่สองนี้อุ้มฉันเข้าห้องผ่าตัดคุณป้ากังวลเป็นเพื่อนบ้านฉัน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 จะเป็นมะเร็งก็ได้หรือไม่เป็นมะเร็งก็ได้นะไอ้อเป็นมะเร็งหรือโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันเลือกไม่ได้นะมันเลือกไม่ได้ปุบปับก็ไปขึ้นมานี่ก็เป็นธรรมดาโลกแต่สิ่งที่เลือกได้คือเราจะเลือกเอาเด็กหญิงสงบหรือว่าเด็กชายหวาดกลัวเป็นเพื่อนเราจะเลือกคุณป้ากังวลหรือคุณคุณลุงมันง่นคงเป็นเพื่อนเด็กคนนี้รู้ว่าเลือกได้ไม่สามารถจะเลือกได้ว่าชีวิตนี้จะปลอดมะเร็งแต่เลือกได้ว่า จะเอาอะไรไปเป็นเพื่อนหรือจะยอมให้มัน ม, มีที่พนต่อเราแค่ไหนจะยอมให้มันยัดเยียดความกลัวให้กับเราหรือว่าเราจะเลือกเอาความสงบจะยอมให้มันยัดเยียดความกังวลให้กับเราหรือเราจะเลือกเอาความมั่นคงในจิตใจรางวัลของนักปฏิบัติธรรมโดยพาะการเจริญสตินะเพื่อให้เกิดปัญญาก็คือเราเลือกได้เราจะได้สิทธิคือรางวัลหลวงพ่ออมโมชาเนี่ยพูดถึงเรื่องสิทธิ เราจะมีสิทธิ์ที่คือเราสามารถจะเลือกได้ว่าจเจ้าสุขหรือจเจ้าทุกข์จะเอาความหวั่นไหวหรือจะเอาความปกติเราเลือกได้แต่ถ้าคุณไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกนะก็จะหลงไปเลือกอย่างอื่นเลือกตรงข้ามหรืออาจจะเลือกไม่ได้เลยถูกมันยัดเยียดใส่เข้าไปในหัวจิตหัวใจซึ่งแน่นอนก็เพราะใจเราเปิดกว้างหรือยินยอมมันด้วยแนีการปฏิบัติธรรมเนี่ยเรียกว่าการเจริญสติสาคัญ แต่ต้องเรื่องตัวจการเจริญสตินะถ้าไปเอาสมถะจะให้อยู่ในความสงบจเจ้าแต่ความสงบโดยเรียกร้องให้สิ่งแวดล้อมต้องสงบด้วยผลต้องเดินเบาๆพูดเบาๆผลต้องยิ้มแย้มอ่อนหวานต่อกันอย่างนี้จะไม่มีสิทธิที่จะเลือกเลยเพราะว่าเรากําลังพาตัวเราเองไปเป็นทาสของสิ่งแวดล้อมเราไปกัดเกยใครต่อใครให้ดีกับเราแต่เราไม่เรียนรู้ที่จะกัดเกยหรือฝึกใจของเราเนี่ยให้มีอิสระที่จะเลือก พะนักงไปบัดนี่เราอย่าไปเรื่องมากนะกับสิ่งแวดล้อมอฝนมันจะตกแดดจะออกผู้คนจะวุ่นวายงานจะเยอะหรือว่าเสียงจะดังนักปฏิบัติให้รู้ว่านั่นน่ะคือแบบฝึกหัดที่จะให้เราเนี่ยเรียนรู้ที่จะมีสติแล้วก็เป็นอิสระจากสิ่งเหล่านั้นเหมือนกับที่ตองสิชอยว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอุปสรรคเนี่ยคืออาจารย์ ซึ่งถ้าเราผ่านได้เราก็จะมีแต่ความเจริญและความผาสุก